เรื่องที่29ไปดูพูดผีปีศาจ ท, ที่เมืองอุดอรเรื่องผีผีผมพูดมาแต่คราวก่อนแล้วว่าขอจบกันทีบอกสาลาเลิกกันไปแล้วแต่จะเป็นทีว่าผมกับผียังมีปุเพศนิวาสกันอยู่หรืออย่างไรหรือมีกรรมเวรต่อกันอยู่ก็ไม่ทราบจึงทำให้ผมเกิดมีความจำเป็นที่จะต้องว่าเรื่องผีอีกคำรบหนึ่ง เป็นเรื่องสดสดร้อนๆยิ่งกว่าเดิมทั้งนี้ก็ด้วยความมุ่งหมายอย่างเดิมคือต้องการจะนำมาพิสูจน์หลักธรรมของพระศาสนาจะได้หมดความสงสัยกันสีกทีถ้าหากว่ามันพอจะหมดกันไปได้เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนปีนี้คือปี2504ก่อนที่ผมจะเขียนบทความชิ้นนี้10กว่าวันมานี้เอง ผมได้เดินทางไปราชการทางภาคอีสานตะเวนเรื่อยขึ้นไปตั้งแต่นครราชสีมาสุรินทร์อุบลขอนแก่นจนกระทั่งถึงอุดรและเลยไปถึงหนองคายริมแม่น้ำขขงโน่นในระหว่างไปพักอยู่ที่เมืองอุดรได้มีผู้นำความมาบอกเล่าแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องผีสางเขาบอกว่าที่เมืองอุดรมีหมอผีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง สามารถที่จะปลุกผีขึ้นจากหลุมฝังศพในป่าช้าขึ้นมาให้ดูกับตาได้ผู้เล่าได้อ้างชื่อบุคคลที่เป็นสักขีพยานหลายคนด้วยกันนอกจากนั้นหมอผีคนเดียวกันนี้ยังสามารถใช้วิชาศยศาสตร์ทำอะไรได้แปลกๆเช่นการปล่อยควายธนูให้ไปอรารวาอยังที่ใดที่หนึ่งการเสกหนังเข้าท้องคน การบังแทงบังฟันและอื่นๆเมื่อได้ยินเขาเล่าทีแรกผมก็เฉยๆคิดเสียว่ามันเป็นเรื่องเล่าลือลมๆแ ล, ล้งๆซึ่งเคยได้ยินมาจนชินหูแต่เมื่อเราตามดูเข้าจริงก็คงเหลวตามเคยเขาเล่ามาเราก็ฟังไปจะไปขัดคอเขาทำไม แต่ครั้นผู้เล่าอ้างตัวบุคคลที่เคยพบเคยเห็นหลายคนด้วยกันทั้งเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ตัวผู้เล่าเองก็เป็นคนมีหลักมีฐานไม่ใช่คนขากินในทางที่เขาเล่าประการสำคัญผมมีวันหยุดราชการอยู่ว่างๆถึงสองวันติดกันจึงมาคิดว่าแทนที่เราจะนั่งนั่งนอนๆอนอยู่เฉยๆหาความรู้พิเศษเรื่องนี้ดูสักครั้งก็ดีเหมือนกัน เพราะถ้าว่าตามจริงเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งในการเผยแผ่พระธรรมไม่ว่าจะไปแสดงปากฐกถาที่ไหนเมื่อไหร่มักจะเจอปัญหาเรื่องผีซ้ำซ้ำซักๆาตกลงขอดูผีให้เห็นกับตาสักทีผมคิดวันที่10พฤศจิกายน2504ผมเริ่มสืบสวนดูตามบรรดาคนที่ถูกอ้างว่าเคยเห็นหมอผีทำพิธี เท่าที่พอจะติดต่อได้มันก็แปลกเหมือนกันไม่เห็นมีใครปฏิเสธสักคนเดียวว่าไม่เป็นความจริงทุกคนรับว่าเป็นความจริงอย่างกะผีได้เที่ยวไปนัดไว้แล้วหรือไม่ผมเองจะถูกผีจูงข้าวหาแต่คนที่เป็นสมัครพรรคพวกของเขาก็ไม่ทราบบางคนบอกว่า ได้เคยติดตามหมอผีไปดูเขาทาพิธีถึงในป่าช้าและได้เห็นปีศาจแสดงตัวจริงๆบางคนพอผีโผล่ขึ้นมาให้เห็นก็อนเองเสียขวัญจนถึงล้มป่วยไปก็มีบางคนบอกว่าผีได้ผุดขึ้นให้เห็นประชิด ต, ตัวจนต้องถอยผมต้องขอประทานโทษที่จะไม่เอ่ยนามของท่านเหล่านั้นในที่นี้เพราะไม่ได้ติดต่อขออนุญาตท่านเจ้าของนามไว้ ในที่สุดผมก็ได้คนที่จะนำไปแนะนำให้รู้จักหมอผีคนหนึ่งคือร้อยโทรกระมน์ธนาบุตรีแห่งค่ายทหารจังหวัดอุดร น, นั่นเองวันที่11พฤศจิกายน2504ผมกับร้อยโทรกระมนและผู้ติดตามสิบเอกสุรัสได้ไปถึงบ้านหมอผีก่อน8นาฬิกาเล็กน้อยบ้านหลังนั้นเก่าแก่มากแล้ว เป็นบ้านไม้ทรงปั้ญหาหลังคามงด้วยกระเบื้องดินเผาพื้นเมืองล้อมด้วยรั้วไม้แผ่นกระดานมิดชิดแสดงถึงฐานะผู้มีอันจะกินของท่านเจ้าของบ้านที่หน้าบ้านมีป้ายแผ่นกระดานจุ ข, ข้อความหมอศัยศาสตร์ซึ่งเป็นป้ายบอกถึงความชำนาญการของท่านเจ้าของบ้านและยืนยันว่าผมเข้าบ้านไม่ผิดแน่ เรายืนรออยู่ที่หน้าประตูบ้านสักครู่หนึ่งบุรุษไวยชาราผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ได้มาเชื้อเชิญให้ขึ้นไปบนบ้านใบหน้าอันคร่ำเคร่งซึ่งประดับด้วยหนวดเคราและผมสีขาวสะอาดและแววตาอันเที่ยงตรงไม่สะทกสะท้านของท่านทำให้ผมรู้สึกแต่วาระแรกทีเดียวว่าท่านเป็นคนมีกำลังใจแข็งและเป็นคนมีศีลมีธรรม การสนทนาระหว่างเราสองคนเป็นเรื่องที่เริ่มต้นไม่ยากเย็ยนอะไรเพียงแต่ผมถูกร้อยโทรกระมนลแนะนำว่าผู้ที่มานี้คือพันเอกปิ่นมุตทุกันเท่านั้นท่านเจ้าของบ้านก็รับว่าได้รู้จักชื่อเสียงมานานแล้วและได้ติดตามงานของผมตลอดมาทั้งอ่านทั้งฟังแล้วก็หลังคำสดุ ด, ดีต้อนรับผมอย่างซ้ำซากท่านบอกว่า การที่ผมไปถึงบ้านเรือนของท่านนับว่าเป็นโชคอันประเสริฐแล้วจึงขอปวารณาตัวว่าหากจะมีสิ่งใดให้ท่านได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาติศาสนาท่านก็ยินดีซึ่งก็เป็นคำปวารณาที่ตรงใจผมอยู่เหมือนกันผมแจ้งความประสงค์ให้ท่านทราบตรงๆว่าผมต้องการจะพิสูจน์ความจริงเรื่องผีและศยศาสตร์เพราะได้ยินคนเล่าลือกันมาก แล้วก็เรียนท่านว่าทั้งนี้ไม่ใช่ต้องการจะจับผิดหรือเป็นการท้าทายหากแต่อยากทราบความจริงเท่านั้นหมอผีรับปากในทันทีว่าท่านยินดีจะแสดงให้ชมและว่าท่านเองก็ดีใจที่ได้พบผมและจะได้แสดงวิชาอาคมให้ดูเพราะเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วผมจะได้ยืนยันสิ่งเหล่านี้ได้ ท่านได้เริ่มเผยสิ่งลี้ลับในตัวท่านด้วยการเล่าประวัติส่วนตัวว่าท่านเป็นชาวอุดรโดยกําเนิดเคยดํารงตําแหน่งในราชการที่สําคัญคือเป็นเลขานุการเทสาพิบาลมนทนอุดรธานีสมัยเจ้าพระยาสุรศักดิ์มรีเคยดํารงตําแหน่งอายการจังหวัดเคยเป็นนายอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนม และเป็นหัวแรงในการปฏิสังขรพระาธาตพนมร่วมกับท่านพลตรีหลวงวิจิตวาัฒาการสมัยเมื่อท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรมีนามตามบรรดาศักว่าขุนสาธกคดีและนามนี้เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางในเมืองอุดรทุกวันนี้ท่านขุนสาธกบอกว่าเวลานี้ท่านมีอายุ84ปีแล้วมีบุตรทั้งสิ้น36คน ท่านว่าแต่เวลานี้เสียชีวิตไปหลายคนเหลือเพียง32คนเท่านั้นเมื่อการสนทนามีความเป็นกันเองมากแล้วผมก็เรียนถามท่านเข้าสู่เป้าหมายทีเดียวผมเรียนถามท่านว่าท่านขุนเคยเห็นพูดผีปีศาจกับตาตนเองจริงๆหรือเปล่าท่านขุนตอบทันทีว่าเห็นสิครับเห็นออกบ่อยแล้วก็ยืนยันอย่างแข็งขันว่า นอกจากจะเห็นเองแล้วยังสามารถขอร้องให้เขาปรากฏให้คนอื่นเห็นด้วยท่านขุนใช้คำว่าเขาเสมอเมื่อเอ่ยถึงผีผมถามว่าท่านขุนหมายความว่าให้ผีไปเข้าฝันคนที่กำลังหลับหรือให้ผู้นั้นนั่งหลับตาภาวนาแล้วไปเห็นท่านขุนหัวเราะเล็กน้อยตามภะษาคนใจดีพลางบอกว่า เห็นกันต่อหน้าอย่างที่เรานั่งคุยกันในเวลานี้แหละครับดูกันด้วยตาจริงๆผมถามว่าผีที่มาให้เราเห็นนั้นอยู่ห่างจากตัวผู้เห็นสักเท่าไหร่ครับท่านขุนตอบว่าไม่แน่บางทีเขาก็แทรกขึ้นมาข้างๆตัวเรานี่เองบางทีก็ห่างออกไปหน่อยแล้วแต่เขาอาจแทรกขึ้นมากลางวงที่เรากำลังคุยกันอยู่อย่างนี้ก็ได้ เขาโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นทีละตัวหรือหลายตัวผมถามก็ไม่แน่เหมือนกันบางทีก็มากันมากๆท่านขุนว่าผมถามต่อไปว่าผีตัวหนึ่งหนึ่งจะปรากฏให้เราเห็นอยู่นานสักเท่าไหร่ท่านขุนตอบว่านานๆก็ได้ครับดูกันจนพอใจนั่นแหละผมถามต่อไปว่าในขณะที่ผีปรากฏตัวนั้น เราอาจเห็นผีตัวเดียวพร้อมกันหลายๆคนได้ไหมหรือใครเห็นก็เห็นเฉพาะคนนั้นท่านขุนตอบว่าพอคนหนึ่งเห็นแล้วก็บอกกันดูได้ครับไปด้วยกันกี่คนก็ดูด้วยกันจนพอใจนั่นแหละผมเริ่มขอร้องท่านว่าถ้าท่านขุนจะกรุณาเรียกเขามาปรากฏตัวเดี๋ยวนี้จะได้ไหมครับท่านขุนบอกว่า เราจะต้องไปที่ป่าช้านอกเมืองถ้าหากจะดูและต้องเป็นเวลากลางคืนเดินหงายเพราะพวกนี้เขากลัวแสงตะวันท่านว่าท่านเคยขอร้องให้เขาปรากฏตัวกลางวันไม่เคยได้ผลเลยผมรีบขอร้องท่านว่าขอให้ท่านกรุณาให้เราได้ดูเป็นขวัญตาสักครั้งท่านก็รับปากทันทีและท่านเชื่อว่าผมจะเป็นคนขวัญดี คงไม่ตกใจจนถึงล้มเจ็บเมื่อเวลาผีโผล่ขึ้นมาให้เห็นการยืนยันอย่างมั่นเหมาะของท่านขุนหม อ, อผีทำให้ผมเกิดความรู้สึกทั้งสองอย่างในขณะเดียวกันคือรู้สึกดีใจที่จะได้เห็นผีเพราะอยากเห็นมานานแล้วแต่โอกาสเดียวกันก็รู้สึกหวั่นใจชอบกลเพราะจะต้องไปอยู่ในป่าช้านอกเมืองเฉพาะ อ, อย่างยิ่ง ในแดนศพผีตายหงในยามค่ำคืนดึกดื่นแต่ก็นึกปลอบใจตัวเองว่าคนอย่างผมผีคงไม่ทำเราตกลงกันแน่นอนว่าจะต้องทำพิธีดูผีให้ได้แต่วันนั้นผมยังไม่ได้นัดวันเวลากับท่านเพราะเหตุผลบางประการที่สำคัญที่สุดคืออยากได้เห็นผีจริงๆไม่ใช่ผีหลอก หากมีการนัดกันหรือปล่อยให้ข่าวแพร่งพลายไปเสียก่อนก็เกรงว่าจะเกิดมีผีหลอกขึ้นมาแทรกได้วันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2504เป็นวันที่ผมวางแผนไว้ในใจว่าจะต้องได้เจอกับผีแน่นอนแต่การไปดูผีจะไม่ให้ท่านขุนรู้ตัวล่วงหน้านานนักคือจะจู่โจมไปรับตัวท่าน แล้วก็ไปดูกันในป่าช้าเลยทีเดียวที่ปกปิดไว้ก็เพื่อไม่ให้มีเรื่องอื่นขึ้นมาแทรกแซงพูดอีกทีคือผมคิดว่าหากเกินข่าวไว้เนิ่นๆก็อาจมีลูกน้องของท่านขุนหรือไข่ก็ได้ไปแสดงตัวแทนผีจึงต้องปิดข่าวไว้เพื่อความรบอบคอบผมกับคณะผู้ติดตามอีกสองคนได้ย่องไปที่ป่าช้าแห่งนั้น ในเวลาราว1 1นาฬิกาเพื่อสังเกตสภาพที่แท้จริงของป่าช้าไว้จะได้รู้ว่ามันมีพุ่มไม้ตอไม้และหลุมฝังศพอยู่อย่างไรบ้างดูทิศทางลมและสภาพทุกอย่างไว้จนกระทั่งว่ามีประตูและทางผ่านป่าช้าอย่างไรบ้างอาจมีผู้คนหรือวัวควายผ่านเข้ามาได้หรือไม่ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในยามค่าคืน ป่าช้าแห่งนั้นเป็นป่าช้านอกหมู่บ้านดทราบว่าเป็นป่าช้าตลอดมาตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองอุดรคนแก่บางคนบอกว่าน่าจะมีอายุ80ถึง100ปีขึ้นไปซึ่งก็น่าเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นมีการเผาและฝังศพทับซ้อนกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเวลานี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองอุดรมีเนื้อที่ทั้งหมดราว63ไร่ ประชาชนเรียกกันว่าป่าช้าโนโนิเวศอยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรไปตามถนนสายหนองคายคนละฟากทุ่งกว้างสภาพของป่าช้ามีรั้วลวดหนามกั้นโดยรอบมีทางเข้าออกด้านหน้าเป็นทางใหญ่สำหรับนำศพเข้าไปเผาหรือฝังพื้นที่ทั่วไปปกคลุมด้วยหญ้าข้างบนเป็นต้นไม้ยางใหญ่สูงระหง ใต้หมู่ต้นยางมีศาลาทำพิธีทางศาสนาซึ่งเป็นศาลาโถงที่ค่อนข้างจะคร่าคร่ายกพื้นสูงจากพื้นดินราวหนึ่งเมตรมีลงศพเปล่าเก่าบ้างใหม่บ้างวางกองอยู่มากมายห่างจากศาลาออกไปทางตะวันออกมีเชิงตะกรนสำรองไว้สี่แห่งรวมทั้งเมนยกพื้นบริเวณทางทิศตะวันตกของศาลา เป็นที่โล่งแจ้งเป็นส่วนมากแต่ก็มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ห่างๆกันหลายสิบต้นและมีหลายต้นที่บอกอายุของมันว่ายืนนานมากทั้งปราศจากการรบกวนมองไปทางด้านทิศเหนือศาราพื้นที่ส่วนมากค่อนข้างจะรกรุงรังด้วยป่าละมะและแผ่นกระดานโลงผีเก่าๆที่ถูกงัดออกทิ้งแล้ว พื้นที่ทั่วไปเต็มไปด้วยหลุมฝังศพทั้งเก่าทั้งใหม่หมู่หลุมฝังศพของพวกคริสต์ังอยู่ทางซ้ายมือถัดไปนอนเป็นหมู่หลุมฝังศพของพวกมุสลิมถัดไปนอนเป็นหมู่หลุมฝังศพของพวกมุสลิมสุดโตงทางท้ายป่าช้าเป็นแดนพิเศษสาหรับศพคนตายโหงรวมความว่าบริเวณปาช้าแห่งนี้มีลักษณะเป็นปาช้าเต็มตัว แม้แต่กลางวันแส ก, ก็ดูรู้สึกวังเวงเวลากลางวันกำลังผ่านไปอย่างรวดเร็วลบค่ำใกล้เข้ามาทุกทีบางคนที่แสดงตัวว่าเป็นคนกล้าสมัครจะไปดูผีด้วยก็เริ่มจะมีท่าทีขอถอนตัวไม่อยากไปด้วยอยากดูก็อยากดูแต่ในโอากาสเดียวกันก็เกิดไม่อยากเห็นด้วย จนกระทั่ง17นาฬิกา30นาทีการติดต่อกับผีก็เริ่มงานขึ้นจริงจังผมออกจากที่พักพร้อมด้วยนายทหารหนึ่งน12คนหนึ่งทำหน้าที่ช่างภาพอีกคนเป็นคนขับรถสำหรับผมเองไม่มีอาวุธอะไรนอกจากไม้ถือซึ่งได้มาจากถาวนวัดร้างกลางดงจากการเดินทางไปเยี่ยมหน่วยทหารในป่าเมื่อวานนี้ ก่อนที่จะไปหาท่านขุนสารถกคดีหมอผีผู้ยิ่งใหญ่ผมตรงไปพบนายพันตำรวจเอกจำรัดมังคลารัตรองผู้กำกับการตำรวจภูทรเขตสี่ก่อนเป็นการเยี่ยมในฐานะคนคุ้นเคยกันด้วยและเพื่อจะชวนเอาไปเป็นสักขีพยานในการดูผีด้วยจะได้ช่วยกันดูหลายๆตาป้องกันความงมงายของผมเอง เราออกจากบ้านพักท่านรองผู้กำกับการค่ำแล้วและตรงไปพบท่านขุนสาถกคดีที่เดียวมันเป็นความผิดพลาดของผมเองที่ไปปกปิดกำหนดการดูผีจนเกินไปหาได้นึกเฉลียวใจไม่ว่าหมอผีเขาจะต้องมีเวลาเตรียมอุปกรณ์พิธีของเขาความจริงก็เป็นเช่นนั้นพอไปพบท่านขุนสาถกและออกปากชวน ท่านขุนก็บอกว่าการที่จะไปร้องเรียกเอาพวกนั้นเขาขึ้นมาจากใต้ดินให้เราดูนั้นไม่ใช่อยู่ๆก็ไปเรียกเอาขึ้นมาเฉยๆจะต้องเตรียมอาหารกุ้งพร่าปลายำเลี้ยงดูเขาด้วยเป็นการแสดงมิจิตมิรใจแต่นี่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยท่านขุนบอกว่าถ้าจะดูให้ได้ในคืนนี้ก็ขอเวลาเตรียมเครื่องเส้น เราไปพบกันที่กลางป่าช้าตอนห้าทุ่มก็แล้วกันคำนัดของท่านขุนเล่นเอาพวกวิรชนนักดูผีมองหน้ากันหลอกแลกมันดึกเกินไปที่จะนัดไปพบกันในดงผีอย่างนั้นผมเลยตัดบทลงไปว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าขอเป็นค่ำพรุ่งนี้โดยที่ผมจะเปลี่ยนเวลาเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นเองทุกคนค่อยโล่งใจเพราะอย่างไรเสีย ก็เป็นเวลาหัวค่าชาวบ้านชาวเมืองเขายังไม่นอนกันถ้าจำเป็นจะต้องใช้หลวงพ่อโกยก็ยังพอมีท่าบ้างรุ่งขึ้นวันใหม่ในตอนกลางวันผมได้ส่งสายออกไปสอบถามหลายทางคือถามผู้ที่ถูกอ้างว่าท่านขุนสาถกเคยพาไปดูผีมาแล้วจนกระทั่งเย็นสายต่างๆก็รายงานยืนยันทั้งนั้นคนนั้นก็ได้เห็นจริงคนนี้ก็ได้เห็นจริง บางคนขณะยืนกวาดสายตาคอยดูผีในระยะห่างจากตัวเพลินๆอยู่นั้นกว่าจะเอี้ยวมองข้างๆตัวปรากฏว่าปีศาจได้แทรกแผ่นดินขึ้นมายืนเคียงข้างอยู่แล้วตกใจจนเสียขวัญและล้มเจ็บอยู่นานอีกคนบอกว่าขณะนั่งดูอยู่บนศาลาตั้งศพหันหลังพิงฝากว่าจะกลับมองดูข้างหลังปรากฏว่า มนาวคางพาดหน้าต่างอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้รวมความว่าข่าวที่มาถึงผมเย็นนั้นสอดคล้องต้องกันทั้งหมดเล่นเอาบางคนที่สมัครจะไปด้วยถอนสมัครไปก็มีสำหรับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวผีมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดชักหวันหัเหมือนกันแต่เพราะอยากจะขจัดปัดเป่าปัญหาให้มหาชนด้วยตนเองเสียทีจึงจาใจทากล้า คือในเวลาที่ผมได้รับเชิญไปแสดงปาฐกถาในชุมนุมชนต่างๆรวมทั้งในโรงเรียนและวิทยาลัยได้ถูกถามเสมอว่าผีมีจริงหรือไม่ผมก็ตอบได้แต่ว่ากำราว่ามีแต่ไม่เคยเห็นด้วยตาตนเองซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ได้ทำให้ผู้สงสัยนั้นได้อะไรเลยมาคราวนี้มีช่องทางที่จะได้พิสูจน์ด้วยตนเองแล้ว ไม่ใช่คอยให้ผีมาหลอกเองซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นที่ไหนเมื่อไรแต่เป็นการนัดพบกับผีทีเดียวโอกาสอย่างนี้ตายแล้วเกิดอีกสักสิบครั้งจะเจออีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบคิดอย่างนี้จึงได้จำใจทำเป็นกล้านี่บอกกันตรงๆและที่ยอมให้หมอผีถอนเส้นผมไว้3เส้น เมื่อเขาจะส่งควายธนูมาแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ดูที่บ้านในกรุงเทพก็เพราะคิดอย่างนี้เองคือคิดที่จะหาทางยืนยันพระธรรมของาศาสนาด้วยตนเองแม้ที่นำมาเล่านี้ก็มุ่งผลดังกล่าวแล้วเท่านั้นขอให้พิจารณาในแง่ศธรราไม่ใช่เล่าเล่นสนุกสๆขําแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ท่านขุนสาธกล่วงหน้าไปรออยู่ในป่าช้าแล้วหน่วยอาสาสมัครดูผีวันนี้เพิ่มนายตำรวจอีกสองนายนายทหารสองนายสิบอีกสองถึงสามคนรวมกับชุดเดิมก็ร่วมสิบคนและดูทุกคนมีกำลังใจดีพอใช้ได้เราแล่นรถเข้าไปจอดถึงกลางป่าช้าทีเดียวเสียงใครคนหนึ่งบอกว่า ต้องจอดรถหันหน้าออกไว้ถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้สตาร์ทพลิดออกไปทันทีขณะนั้นเป็นเวลาราวสองทุ่มพระจันทร์ขึ้นหกข้าเดือนสิบสองไม่ถึงกับมีแสงสว่างจ้าแต่ก็สาดแสงสีนวลทั่วบริเวณป่าช้าเว้นแต่ที่เป็นร่มไม้ใบหนาบดบังเสียซึ่งแฝงความมืดทะมึนอยู่เป็นแห่ง พอพวกเราไปถึงท่านขุนสาถกคดีถูประจํอาณาจักปีศาจออกมาจากเงาเมืดและตอนรับพวกเราด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกติในหัวใจของท่านเลยก็ว่าได้ตรงกันข้ามกับพวกเราซึ่งมีความรู้สึกวุ่นวายในใจชนิดที่ไม่มีนักประพันธ์หรือนักพูดคนใดจะบรรยายด้วยภาษามนุษย์ได้ถูกต้อง ท่านขุนเชิญให้พวกเรานั่งกันตามสบายที่แผ่นกระดานเก่าๆซึ่งตีไว้เป็นมานั่งเล่นใต้ควรยางใหญ่ผมถามท่านขุนว่าจะเริ่มทำพิธีได้หรือยังท่านขุนบอกว่าท่านได้ทำไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนคอยสังเกตได้เลยถ้าใครเห็นก็บอกให้คนอื่นดูด้วยว่าแล้วท่านขุนก็ไม่ลืมย้าว่าอย่ามัวแต่ดูที่ไกลๆละ่ะ บางทีเขาอาจจะขึ้นมานั่งเคียงข้างเราตั้งนานแล้วก็เป็นได้คำเตือนของท่านขุนเล่นเอาพวกเราชักยุ่งใจหนักขึ้นอีกทุกคนต้องคอยนับพวกเดียวกันไว้ด้วยเผื่อว่าถ้าเกิดมีคนเกินจำนวนจะได้เช็คว่าได้มีผีมา ป, ป่าปนอยู่ในพวกเราแล้วความเงียบได้แผ่คลุมพวกเราอย่างซาบซึง้งมีแต่ความเงียบเงียบจริงๆ นานๆก็มีพายุผ่านมาทำให้ใบยางร่วงพลูลงยังพื้นดินพร้อมๆกันและนานๆก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนดังมาจากหมู่บ้านห่างออกไปทำให้พวกเราบางคนหายใจสะดุดเป็นระยะระยะหลายนาทีผ่านไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นช่างภาพก็สายหน้ากล้องรออยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะบันทึกภาพทันที หากเจ้าปีศาจ ต, ตนใดตนหนึ่งออกมาต้อนรับเราท่านทูตแห่งยมโลกพูดขึ้นเบาๆว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมพากันล่าช้านักล่ะเมื่อไหร่จะแสดงตัวซึ่งท่านผู้ถูกกล่าวหมายถึงปีศาจที่ท่านเส้นไว้แล้วถ้าจะเหลวเสียกระมังผมคิดในใจพลางสาวเท้าออกห่าง ก, กลุ่มพลพักไปทีละก้าวสองก้าว ไปทางด้านหลังศาลาตั้งศพก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวจนเกือบถึงต้นคอยใหญ่โดยไม่รู้ตัวเสียงดังพลัว้วต้นคอยวันไหวไปทั้งต้นได้ความว่านกเจ้ากรรมอะไรสักตัวหนึ่งมันคงจะกำลังหลับเกิดตกใจกลัวผมจึงทลาออกไปอย่างรวดเร็วล่องใจไปทีเสียงนี้เองเตือนใจผมว่า ตัวได้ขาดลอยไปจากพักพวกมากไปหน่อยแล้วจึงกลับหันหลังจะเดินเข้าพวกซึ่งชุมนุมกันอยู่ใต้ร่มยางห่างไปราวๆสิบวาเศษแต่พอกลับหลังหันผมก็เผชิญเข้ากับสิ่งประหลาดอย่างจังท่านผู้ฟังครับกรณาอย่าเพิ่งคิดเป็นอันขาดว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงนั้นมันเป็นพูดผี เพราะผมเองก็ยังไม่เชื่อ ว, ว่ามันเป็นสิ่งนั้นแต่คิดไปว่ามันอาจจะเป็นตัวผมเองตาฝาดไปเองเท่านั้นสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันเป็นร่างของคนคนหนึ่งใหญ่กว่าคนไทยทั่วไปเล็กน้อยหัวล้นจนเป็นมันเปลือยกายท่อนบนผมเคยเห็นรูปอย่างนี้หลายครั้งในหนังฝรั่งที่เกี่ยวกับเรื่องทรมานทาต แล้วผมก็มาเจอมันอยู่นอกจอที่นี่อีกผมไม่ได้คิดอะไรในขณะนั้นนอกจากคิดว่านี่ใครและยังไม่ได้ทําอะไรต่อไปภาพนั้นก็หายไปเสียก่อนผมตกลงใจว่าภาพนั้นไม่ใช่พูดผีปีศาจอะไรทั้งสิน้นมันเป็นภาพลวงตาของผมเองจึงไม่ได้บอกแก่ใครในคืนนั้นเพราะถ้าผมบอกใครๆคนอื่น รวมทั้งท่านขุนสาทกด้วยก็จะเมาเอาว่าผมได้เห็นผีแล้วแล้วท่านผู้นั้นก็จะเลิกพันทะที่มีอยู่กับผมเสียตกลงไม่บอกใครดีกว่าเวลาผ่านไปนานพอสมควรท่านขุนคงจะแปลกใจที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกผีในป่าช้าจึงปาลารบขึ้นว่าขอให้พวกเราย้ายที่ดูกันใหม่ท่านพาเดินลัดเลาะ เข้าไปทางที่เป็นป่ารกกกว่าเดิมข้างบนกิ่งยางใหญ่ประสานกันบังแสงจันทร์ไม่ให้ส่องสู่พื้นดินข้างล่างก็มีป่าไม้ประเภทพุ่มและเครือเถาระเกะระกะหน้าที่ตรงนี้ดูค่อนข้างจะน่ากลัวมากกว่าที่ที่เราอยู่กันตอนแรกรู้สึกว่าหน่วยอาสาสมัครของเราจะกล้าขึ้นอีกหน่อยจึงยืนแยกย้ายออกห่างกันได้มากกว่าเดิม ที่ยืนอยู่ห่างออกจากคนอื่นถึงสามวาก็มีซึ่งนับว่าเป็นระยะที่นับว่าห่างไกลมากในค่ำนั้นแต่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านขุนทําท่าจะหาเรื่องอื่นมาคุยค่าเวลาแต่ผมไม่ยอมผมบอกว่าเห็นจะหมดกระมังท่านขุนเอาไว้ผมมาอุดรเที่ยวหลังจะมาดูใหม่นี่ก็ดึกมากแล้ว ข้อเสนอนี้ทุกคนชักจะเห็นด้วยเพราะมีหลายคนที่อยากจะหนีให้พ้นนแดนย ม, มาบาลสิทธแต่ท่านขุนไม่ยอมท่านขุนบอกว่าทางด้านนี้มันจุนจ้าหน่อยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเข้าไปถึงที่อยู่เขาเลยพวกข้างนอกนี้ส่วนมากเป็นผีธรรมดาท่านขุนอธิบายให้พวกเราฟังแล้วก็พูดต่อไปว่าอยู่ไม่เท่าไหร่ประเดี๋ยวก็ไปเกิดกันแล้ว เห็นเปลี่ยนหน้ากันบ่อยๆผมถามท่านขุนว่าแล้วเราจะไปดูที่ไหนกันอีกท่านขุนบอกว่าเข้าไปโน่นครับที่แดนพิเศษข้างหลังปราช้าโ น, น่ที่นั่นมีแต่พวกตายหงทั้งนั้นผีดุมากหน่อยแต่คงจะได้เห็นไม่ยากนักว่าแล้วท่านขุนก็เดินนำหน้าพวกเราเดินลัดเลาะไปตามหลุมฝังศพผ่านเชิงตะกอนซึ่งขณะนั้น ศพยังนอนกลิ้งอยู่กลางกองไฟศพหนึ่งเราเดินเลยเข้าไปเลยเข้าไปจนกระทั่งถึงที่โล่งซึ่งสามารถกว่าสายตาไปได้ทั่วป่าชา้ารูปไม้กางเขนเครื่องหมายหลุมฝังศพคริสเตียนเขาท่าสีขาวตัดกับแสงนวลของดวงจันทร์ยามข้างขึ้นทาให้เรามองเห็นได้ชัดแม้หลุมฝังศพของคนถือศาสนาอื่นก็พอมองเห็นได้ไม่ยาก ท่านขุนพาพวกเราไปนั่งที่ระหว่างหลุมฝังศพอันระเกะระกะเหล่านั้นมีต้นไม้ย่อมๆต้นหนึ่งกำบังแสงจันทร์เราอยู่กันภายใต้ร่มไม้นั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้จิตใจของคณะที่ไปด้วยชักจะหวาดหวั่นมากขึ้นอีกเห็นจะเป็นที่ว่าแต่ละคนก็คิดว่ายังได้เสียปีศาจจะต้องแสดงตัวแน่ๆเรานั่งยองๆเป็นส่วนมาก ผมเองก็นั่งยองๆและหลายคนที่นั่งจนกระทั่งเอาหลังชนกันทีเดียวตอนนี้สายตาของพวกเราทุกคู่ต่างทำงานหนักไหนจะกวาดหาปีศาจ ต, ตลอดเวลาพยายามเพ่งเข้าไปทุกจุดอย่างรมะมัดระวังแล้วยังต้องคอยเช็คพวกเดียวกันอีกเพื่ออาจมีปีศาจผุดขึ้นมาป่าปนอยู่ในพวกเราสักพักใหญ่ๆ ผมรู้สึกว่ามีอะไรอย่างหนึ่งมากระตุกกระตุกที่ตะโพกทางด้านหลังคนลุกสู้คิดว่าเจ้าปีศาจเกิดแทรกขึ้นมาตรงที่เรานั่งพอดีขณะนั้นผมนั่งยองยองผมกระซิบบอกอีกคนที่นั่งข้างๆว่าช่วยดูทีอะไรตุงๆก็ได้ความว่าพักพวกเราเองสกิดเพื่อจะบอกว่าถอยทับนี้เถอะทนไม่ไหวแล้ว ผมบอกท่านขุนว่าวันนี้เขามีเผาศพกันพวกผีคงจะติดงานรับน้องใหม่กันหมดกระมังท่านขุนดักคอถูกว่าไหนไหนมาแล้วดูอีกหน่อยสิครับตกลงดูกันต่อไปอีกจนกระทั่งแน่ใจว่าหมดหวังสำหรับคืนนี้พวกเราก็เลยยอมขัดใจท่านขุนคือขอกลับทั้งทง ท, งที่ท่านยังชวนเราอยู่ต่อไป เราออกมาชุมนุมกันที่ใต้ต้นยางอีกครั้งก่อนที่จะขึ้นรถกลับนาที่นั้นท่านขุนสาทกคดีราชาแห่งศยศาสตร์ยังคงปรารอบกับผมอย่างเดิมอีกว่าท่านเองแก่เท่าแล้วสังขารจะแตกดับลงเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบอยากจะให้ผมได้เห็นสิ่งลึกลับเหล่านี้ไว้เพื่อจะได้ยืนยันกับคนรุ่นหลังซึ่งผมก็เห็นใจ แล้วก็อยากจะเห็นกับตาจริงๆจะได้ใช้เป็นหลักวิจัยพระธรรมคําสอนของศาสนาและละลายสิ่งลวงโลกทั้งหลายให้หมดสิ้นไปผมถามท่านขุนว่าท่านยังมีวิธีใดที่จะทําให้ผมได้เห็นประจักอีกบ้างท่านขุนบอกว่าคืนนี้ผมจะให้ปีศาจไปกวนท่านที่บ้านพักผมบอกว่าตกลงผมจะรอพบเป็นคํารับที่ผมเองมั่นใจ คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นเคยเมื่อผมรับการท้าที่จะต้อนรับปีศาจยามราตรีลำพังตัวคนเดียวแล้วท่านขุนบอกว่าจะให้ท่านปล่อยควายธนูมาแสดงเดทที่บ้านผมที่กรุงเทพก็ได้ผมถามท่านว่าเมื่อควายธนูมาที่บ้านผมมันจะทำอย่างไรบ้างท่านบอกว่าจะให้มันขิดกอกล้วยให้แหลกไป รับรองจะไม่ให้ทาอันตรายแก่ผู้คนในบ้านผมรับท้าทันทีอีกเหมือนกันเมื่อท่านขุนขอเส้นผมของผมไว้เข้าพิธีทรงควายธนูสาบเส้นผมก็ยอมถอนให้ไปตามต้องการผมนัดวันเวลากันไว้อย่างเรียบร้อยท่านขุนก็ปรารภกับผมว่าหากผมจะไหว้วานสิ่งใดอีกก็ยินดี ผมเองก็ปรารถนาต่อท่านว่าถ้าท่านแสดงเวทมนต์ให้ผมเห็นจริงผมจะเป็นผู้อุปถัมภ์ให้ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์แก่มหาชนต่อไปเราแยกย้ายกันไปยังที่พักผ่อนหลับนอนหน้าที่พักตึกรับรองบนเกาะกลางหนองสำโรงความคิดของผมเริ่มสับสนขึ้นอีกหลังจากไหว้พระเตรียมเข้านอนแล้ว ความคิดก็พุ่งดิ่งไปทางเดียวคือคิดว่าประเดียวท่านคุนสาถกจะส่งผีมาหาแต่ในใจก็ไม่รู้สึกกลัวเพียงเป็นห่วงคล้ายๆมีแขกนัดเอาไว้เท่านั้นดับไฟเรียบร้อยแล้วเอนกายลงนอนหันปลายเท้ามาทางประตูเข้าห้องพอศีรษะถึงหมอนผมก็แปลกใจมันมีภาพคล้ายๆ ค, คนลอยเข้ามาทางประตู แล้วก็ลอยผ่านมาทางปลายเท้าผมหายไปทางห้องน้ำอีกด้านหนึ่งภาพอย่างนี้ได้ทยอยกันเข้ามาไม่ขัดสายบางภาพมีแต่ดวงหน้ากลมใหญ่เหมือนว่าลอยอยู่ในอากาศผมไม่รู้สึกกลัวแรกๆกลับรู้สึกสนุกเพราะพวกนั้นแต่งตัวแปลกๆ แ, และพอผ่านปลายเท้าผมก็หันหน้ามาทำพยักเพยอดให้ ผมสังเกตดูจิตใจผมขณะนั้นมีรักมีเกลียดอยู่ด้วยเห็นภาพนั้นบางภาพท่าทางเรียบร้อยก็รู้สึกชอบแต่บางภาพท่าทางทะลึ่งก็เกลียดยิ่งดึกภาพเหล่านี้ยิ่งมากขึ้นราวตีหนึ่งหรือตีสองเริ่มรู้สึกรำคาญเพราะง่วงนอนเต็มทีเจ้าพวกนั้นก็มากันไม่หมดสิน้นผมลุกขึ้นนั่งบ้างนอนบ้าง ลืมตาบ้างหลับตาบ้างเสียงไก่ขันดังแหววมาจากฟากน้ําแสดงว่าดึกเต็มทีแล้วผมลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินสวนออกไปทางประตูที่ภาพเหล่านั้นเข้ามาโดยที่คิดว่าอาจเจอใครสักคนหนึ่งกระบังแต่แล้วก็ผิดหวังต้องกลับมานอนดูภาพต่อไปจนสว่างคาที่พอดีได้เวลาออกจากที่พักไปสถานีรถไฟล่องสู่ขอนแกนแล้ว เลยกลับพระนครที่กรุงเทพวันเพ็ญเดือนสิบสองผมได้รอดูควายธนูที่ท่านขุนจะส่งมาที่บ้านผมมีเพื่อนบ้านและคนในครอบครัวรอดูกันพร้อมหน้าตั้งแต่พลบค่ำจนสามทุ่มเศษแต่ไม่ปรากฏมีอะไรผิดปกติรุ่งขึ้นผมได้วิทยุถึงร้อยโทรกระมนลที่อุดรว่าให้เรียน พลตำรวจเอกจำรัดว่าพิธีของท่านขุนสาโทกไม่มีปรากฏการสิ่งใดผิดปกติแต่แล้วได้ดรับการติดต่อมาอีกทางหนึ่งว่าวันเพ็ญเดือนสิบสองทางท่านขุนติดขัดไม่ได้ทำพิธีจึงขอนัดใหม่เป็นวันพุธแรมเจ็ดค่ำเดือนเดียวกันเวลาชิงพบเราได้พร้อมใจกันรอดูอีก ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่บังเอิญในระหว่างที่รออยู่นั้นมีเรื่องโคลมครามที่ข้างรั้วสังกษีทางข้างสระน้ำที่นัดกันไว้เรื่องนี้มีผู้จับเอาไปเป็นข่าวว่าควายธนูได้มาที่บ้านผมจริงๆสรุป 1. ภาพคนประหลาดที่ผมเห็นทั้งที่ป่าช้าและที่บ้านพักผมไม่เชื่อว่าเป็นผีเพราะภาพนั้นเกิดจากอุปาทานของผมเอง เนื่องจากผมตกใจกลัวนกและตอนเข้านอนก็มีความหวั่นใจมากจึงเห็นเป็นภาพไปได้ 2. ควายธนูไม่มาที่บ้านผมแน่ที่มาแน่แน่คือคนธนูเขาย่องเข้ามาทางหน้าต่างห้องพระเวลาตีหนึ่งแล้วก็เก็บเอาของมีค่าติดมือไปหลายชิ้นจนกระทั่งเวลานี้ก็ยังไม่ทราบคนธนูผู้นั้นใคร ปล่อยมันที่บ้านผม 20. พฤศจิกายน2504